มงคลชีวิตมงคลที่26ฟังธรรมตามกาลกาเลนะธรรมสวังเอตามังคัลมุตตมังขณะเวลาหรือช่วงใดช่วงหนึ่ง ชื่อว่าการเล น, นะหรือการเวลาการฟังธรรมชื่อว่าธรรมัะสวนะดังนั้นการฟังธรรมเพื่อบรรเทาความวิตกในยามที่จิตเกิดความฟุ้งซ่านหรือยามที่จิตถูกกิเลสยางได้อย่างหนึ่งกลุ้มรุงจึงชื่อว่าฟังธรรมตามการการและธรรมที่ควรฟัง เวลาที่ควรฟังธรรมนั้นฟังได้ทุกขณะที่มีโอกาสเช่นการว่างจากการงานวันพระวันที่มีงานมงคลและไม่ใช่งานมงคลหรือการที่มีความทุกข์และความฟุ้งซ่านเป็นต้นธรรมที่ควรฟังได้แก่ธรรมในพระไตรปิฎกธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ทำที่ไม่มีโทษและไม่เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นของบาป ท, ทั้งหลายคุณธรรมของผู้ฟังธรรมที่ดี 1. ฟังด้วยจิตเมตตา 2. ไม่ดูหมิ่นผู้พูด 3. ไม่ดูหมิ่นเรื่องที่เขาพูด 4. ฟังด้วยจิตสงบไม่ฟุ้งซ่าน 5. ไม่ดูหมิ่นตนเองว่ามีปัญญาไม่พอที่จะฟังหฟังโดยแยบคายตรึกตรองตามการฟังธรรมจัดเป็นมงคลเพราะ 1. จิตย่อมผ่องใส 2. ทํทำให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้ 3. เกิดความเห็นที่ถูกต้อง 4. ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้ห้าแก้หรือบรรเทาความสงสัยได้หกสิ่งที่เคยฟังแล้วย่อมชัดเจนยิ่งขึ้นเจ็ดได้แนวทางแห่งการปฏิบัติธรรม